มีกิริยาที่เกื้กูลด้วยครับเฉันเดินไปช่วยหรือได้ข่าวเพื่อนบ้านไม่สบายเนี่ยที่จริงเราก็นลักเขาอยู่แล้วเมตตาก็าอยู่แล้วพอที่ยินข่าวไม่สบายเดินไปครับสุมวมันดึกดื่นคืนหนึ่งครับบ้านของเราอยู่ที่ริมถนนประมาณตีสองเศษเศษได้ยินเสียงรถคว่ำโครมใหญ่เนี่ยแล้ตืขึ้นมาแล้ว เราจะทำไงดีครับนอก จ, จะคิดว่ามันไปร้ายเดี๋ยวตำรวจคงมาเราก็นอนต่อก็แสด่าเรามักจะมีบทสรุปอะไรที่ที่ต่อให้เราเป็นคนดีมีเมตตานะว่าแรงกรุณามันน้อยครับสมมติเราคิดมาว่าเอ้ยนี่คนอาจจะกําลังล่อแร้นะแต่เราโผล่ไปเนะี่ยอาจจะช่วยชีวิตทันสักคนหนึ่งก็ได้แต่เรามื่คิดว่าโอ้ยตู้ยาไอ้ป้อมตํารวจอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวคงมาเอง นี่คือเหตุผลพนอตัวเองครับคราวหนึ่งผมเห็นควันลุกขโมง เ, เคยเล่าให้ฟังอย่างก็ไปเลยครับผมเลยชวนเพื่อนพระที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมเข้าายไฟไหม้บ้านคนวิ่งกันไปรรรกระหืดคอพอไปถึงปรากฏชาวบ้านก็เผาไร่พระก็โกรธผมใหญ่เขาก้าว แต่ผมก็เตือนว่าถ้าสมมติว่าไฟไหม้บ้านจริงๆล่ะการมาของเราดีไหมแต่ว่าเนื่องจากไม่คุ้นก็ืสถานที่นั้นชาวบ้านเผาไล่อยู่เรื่อยแต่ผมก็ใจไฟไหม้บ้านชาวบ้านวิ่งไปจีวรปลิวเลย <laughs> เช่วยเขาเราควรฝึกปรือตัวเราให้มีความคล่องตัวนะครับเมื่อเราเคลื่อนมือนียถ้าเรามีอุปสรรคในใจนะมันเคลื่อนยากครับ เจ้าตัวขี้เกียจขี้คลานะมันจับทุกแถวศอกลักแร้หัวไหลบ้านเองงานเบื่อแต่พอเราคล้องตัวดียมยกง่ายนิดเดียวครับมันจะลอยตัวขึ้นมามันปรากฏที่แขนได้ทันใดนะครับมันปรากฏที่ขาที่เท้าที่ใจได้ฉะ น, นั้นจจะลุกขึ้นเดินเหินได้คล่องตอนนั้นเมื่อทำอย่างนี้ผมเห็นมันหลายคนนะครับเพราะปฏิบัติตัวงี้ดีมัน คล้ายๆมันมันลอยตัวได้ครับลอยตัวพ้นจากปัญหาซึ่งเคยหนักอึง้งน้ำจิตน้ําใจก็ดีขึ้นคนมบางคนมีคนใจดีนะครับแต่ว่าเกียดคล้านที่เคลื่อนไหวเข้าใจนะครับดังนั้นจึงกลายเป็นเศรษฐีเงินกู้นอนตีพุงและจริงๆนั้นการมีชีวิตที่ที่เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องคล่องนั้นดีกว่าแม้จะยากจนนะ เราปฏิบัติดีนะครับเราจะลุกเดินได้ง่ายนักบุญสุดบอกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ร้องทักผู้อื่นก่อนสแสดงท่านไม่ถือตัวใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ากูเป็นพระเจ้ามึงต้องทักกูก่อนสิท่านไม่ใช่เป็นอย่างนั้นร้องทักผู้อื่นก่อนด้วยแล้วก็ลุกขึ้นยืนได้อย่างคล่องแคล่วแสดงจิตใจใท่านปลอดโปร่งบริสุทธิ์ใช่ไหมครับจิตไม่มีเรื่องไรติดขัด พอฟังผมพูดนี่จะลืมตัวทุกทีสังเกตไหมครับพอฟังรู้เรื่องนะก็ลืมจากตัวนี้ดังนั้นเราต้องปฏิบัติให้มากกว่าฟังครับแล้วถ้าใครไม่อยากฟังผมเนี่ยดีครับแต่ไปปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าอยากฟังผมแล้วเป็นหลับใคนพอรู้สึกตัวมากไม่อยากฟังผมเคยเป็น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 ใครที่เสียงชัดๆกล้าๆนะใครก็ได้ครับใครเป็นหัวหน้าครับอาจารย์หรือไม่ไม่ได้แต่งตั้ง น, นั้นให้ท่านอาจารย์เลือกเลือกขายก็ได้ครับีความมือหงายมือครับ ทำในทำความรู้สึกให้ให้ศักดิ์สิทธิ์ก่อนครับคำว่าศักดิ์สิทธิ์มันจริงไม่เล่นครับ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 โอมไดสี่ห้าน ต้องใจดีโอ้โอ้โอ้หลังไม่ต้องต่อหางเครื่องนี่ก็ใกล้ คือยืดเสียงยางเพราะว่าเราต้องการจะรู้จักที่สุดของเสียงคือความเงียบเท่านั<อ> <c oughs> น้นโอ้ผมจะยืนเป็นโอ้ยไม่ใช่โอ้ออยเอาไว้เขาเอาจนได้ ซ้อนขึ้นเหมือนจะไปยอดเจดีย์ที่ต่างยอดต่างขึ้นใช่ไหมผมจะขึ้นก่อนนะฮะแล้วพร้อมๆนับหนึ่งของสามะ ตามกำลังของปอดและน้ำเสียงจนสุดเสียงโดยไม่ต้องไม่ต้องรอใครทั้งนั้นเข้าใจไครับเริ่มตรงไหนสิ้นตรงไหนแล้วแต่คน ท, ที่เพื่อจะให้เข้าใจชัดคำว่าโอームนะครับที่จริงถ้อคคำนี้เป็นคาถือกันในภาษาสันสกฤตว่าเป็นอักษรแรกคือคำว่าโอถือว่าเสียงแรกหรือคาคาแรกสุดที่มนุษย์เปล่งได้เสียงที่เปล่งได้คําว่าโอー แต่วา่าในทางของพูดนะครับโอมเนี่ยอนุวัตมาจากอักษรสามตัวคืออะอละมะที่จริงก็อุมหรืออมแล้วแผลงอุเป็นโอเป็นโอมนะอะก็คืออรหันต์หมายถึงพระพุทธเจ้านะครับอรหังสัมมาเนะ่ยคืออะอุคืออุดตมสังอุด อ, อมธรรมะคือธรรมะเช่นเลิศ อุดมอุดมธรรมนะครับมะก็คือมหาสังคิกะมหาสังโฆ ค, ครับคือกลุ่มมังสงนันเมื่อเปล่งคำว่าโอมนี่เรากำลังส่งใจเข้าไปในพระรันตรัยโดยใช้สัญลักษณ์เข้าใจไหมครับบทสวดที่พระท่านสวดเวลาไปทำวัดสวดมนต์หรือไปฉันตามบ้านก็มีนะครับออุอมานะครับโอมนโมสามจบก็เรียกใช่ไหมครับ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 ดังนั้นต้องรู bien, main, ้กันนะครับโดยผมจะไม่บอกว่าเมื่อไหร่จะจบทุกคนควรจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันนานเกินไปแล้วเนี่ยเข้าใจไหมครับเข้าใจได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวก็โอมโอมจนห้าทุ่มมันยังโอมโอมันอยู่คือโอมเป็นเพียงบทเริ่มต้นและบทสรุปของมนุ์ทุกบทครับก็ตั้งต้นในโอมภาษาสันสกฤตโอมแปลว่าขอนอบน้อมครับคือคำวันนโมนั่นเองจริงจริครับ คือคำนนโมขงของเราครับนโมแปลว่าขอโนอบน้อมแต่พวกฮินดูหรือพวกพรามก็นิยมใช้คำว่าอโอมขงองเรานิยมใช้คําว่านนโมรครับนโ ม, มเป็นสองขย่างครับมันเลยเปล่งยากแล้วโอมมันมันคำเดียวเท่านั้นแล้วมันมืนง่ายเอาลองใหม่นะแล้วเดี๋ยวรู้กันนะทุกคนต้องสังวรนะครับว่า ถึงเวลาที่จะเลิกก็คือพอใครคนใดคหนึ่งลดเสียงหรืออะไรนี่ก็ค่อยเจ้าลงเข้าใจั้ยครับแล้วเลิกสังเกตที่สุดเสียงให้ดีนะครับเพราะว่าการเปล่งเสียงโดยไม่สังเกตที่สุดเสียงไม่มีประโยชน์อ้ oh.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 ดังนั้นการเปลี่ยนโอ์มนี่แม้จะประสานเสียงก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวก็จริครับแล้วมันเป็นสมาธิดีนะมาใหม่อีกทีนะคือไม่จาเป็นต้องพร้อมกันพวกเราเดินเดินแถวเป็นเป็นมดติดนิสัยนี่โองโหมพร้อมๆแล้วเงียบกับพร้อมกันโอมพร้อุณอาจจะสามารถเปลี่ยนโอมสามลอนได้ครับเช่นโอ้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 Oh. ล, ลมนะครับสิ้นสุดลงด้วยกันเมื่อเรเปล่งคําว่าโอ้เราท้อเปล่งจนกรทั้งสิ้นลมปราณ น, นะครเพราะที่สุดของลมเนี่ยสำคัญมากครับเพราะสิ้นสุดลมตรงนั้นคือความสงบตอนนี้ต้องทดลองไม่หายใจดูนะครับไม่ใช่อันคือหยุดลมหายใจเนี่ยเราจะรู้สึกตัวดีขึ้นก็จ้าใไหมครับดังนั้น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 สภาวะหนึ่งที่ที่ไม่ไม่มีภาษาจะพูดเนี่ยเราเราต้องการจะรู้สึกเข้าไปถึงสภาวะซึ่งเหนือสมมติเข้าใจไหครับดังนั้นในนาทีสุดท้ายที่เราจะสิ้นลมสำคัญมากๆเลยเพราะพอเราจะตายเพิ่มเนี่ยความคิดตรุงแต่งมันต้องจบสิ้นธรมิสติดีนะครับดังนั้นทุกคนจะเข้าถึงที่สุดทุก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 สิ้นความคิดแต่ว่าใจปรากฏเด่นขึ้นถามว่าผมรู้ได้อย่างไรครับใ น, นเมื่อยังไม่ได้ตายถ้าเราจเจริญสตรีมากๆนะเราจะใกล้าตายข้าไปทุกทีครับแต่เป็นการตายซึ่งมีชีวิตอยู่ที่จริงทุกคืนเนี่ยตอนก่อนเราเข้านอนนะครับเหมือนกับตายทุกอย่างกระบวนการเข้าใจไหมครับคือค่อยๆรับรู้โลกภายนอกน้อยลงน้อยลงแล้วก็ดับวับไป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 คือค่อยๆทำให้อารมณ์ประสานมีเอกภาพแล้วก็ตื่นตาตื่นใจครับเอาละเลิกพักพักผ่อนเดี๋ยวจะได้ทำหน้าที่กันต่อไป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 ออกหัวใจของตัวเองที้เป็นเดิมพันไม่ต้องกังวลถึงกรรมวิธีเลยเหมือนกับว่าเราเดินไปที่ริมฝั่งน้ำฝากนี้แล้วเราจะข้ามไปสู่ฝากโน้นจำนวคนคนบางเพศอาจจะเลือกท่าข้ามที่ตรงนี้ฝั่งมีขี้โคลนมากก็เดินเลยไปบางคนก็หาที่ ที่ใกล้ฝั่งนอนคนหาที่ที่มีหาดสวยๆหรือหาที่ตืดนหรือหาที่ลึกสุดแท้แต่อุปนิสัยของคนแต่ที่ง่ายที่สุดก็คือลุยเข้าไปซึ่งซ่งหน้าครับถึงฝันถึงเรือถึงสะพานนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่จะทำสมาธินี่ง่ายนิดเดียวครับตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมารวบรวมความ ร, รู้สึกตัวขึ้นมาถ้าคุณไม่ทอดทิ้งความรู้สึกอ น, นี้นะครับไม่ช้าไม่นานสมาธิจะเป็นไปเองแล้วคุณจะพบว่าเทคนิคต่างๆใช้ไม่ได้ทั้งนั้นครับใหม่ๆมอาจจะรู้สึกว่าขาดแคลนสมาธิบ่อย ทังนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเราติดยึดในอารมณ์ต่างๆเช่นในกามอารมณ์ในการเที่ยวเตรในการพูดคุยในการทำโน้นทำนี้จุนจานอย่างโน้นอย่างนี้ในสุดรู้สึกว่าทำสมาธินี่ยากความรู้สึกที่ว่ายากนั้นเป็นปฏิภาคส่วนครับกับความนิสัยที่ชอบสารแน่ต่างๆ ชอบยุ่งเรื่องน้ง น, น, น, น, นมากเรื่องดังนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่ยากแล้วจะพบด้วยตัวเองมเมื่อนิสัยวุ่นวายจุ่นจ้าต่างๆเสื่อมเสื่อมไปแล้วครับสมาธิก็เกิดเองเพราะแท้ที่จริงนั้นสมาธินั้นมีอยู่แล้วในคนทุกคน เพราะหัวใจของเรานะครับมันเป็นเพียงดวงเดียวเท่านั้นรเราเป็นคนคนหนึ่งมีจิตใจอันหนึ่งมีร่างกายอันหนึ่ง mm hmm. เพียงแต่เรามารู้จักใครคนนั้น mm hmm. ถูกต้องตามที่เขาเป็นอยู่จริงๆน้ําำดับที่เกิดสมาธินี่ครับ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 ใครหนึ่งเป็นหัวหน้ากองเป็นอธิบดีกอันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่สม